อาคารวพุทเจ้าแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านรวมทั้งศิลปินหลายหลาท่านที่ถูกเรียาว่ารายกามีผลงานในระดับชาติหลายท่านในที่นี้ก็ได้รู้จักกันได้พบปะ ก, กั น, นส่วนใหญ่ก็เคยร่วมเดินธรรมยาตามมาแล้วอีกหลายท่า น, นก็อาจจะเพิ่งได้พบปะ ก, กันครั้งนี้นะแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นมิตรที่เราคงเราได้ร่วมทางกันก่อนหน้านี้มาเพีงแต่ว่าอาจจะได้มาเพิ่มมาพบปะ ก, กันรู้จักกันในครั้งนี้นะก็ก็ถือว่าเป็นจะถือว่าเป็นคนแปลกหน้านะ เ, นเพื่อนใหม่เวลาพูดถึงธรรมยาตาเนี่ยคนก็พูดถึงธรรมยาตาที่จังหวัดชัยภู แต่ที่จริงแล้วเนี่ยธรรมยารามันมีมานานแล้วนะคนที่ริบเริ่มเนี่ยใช้คำว่าธรรมยาราเนี่ยเป็นชาวคเมรเป็นพระนะชื่อว่าสมเด็จมหาโคสนังทัตนท่านเป็นสมเด็จของชาวคเมรและท่านเริ่มธรรมยถาเมื่อประมาณสักปี2332เนี่ยเพราะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยขเขมรเนี่ย เพิ่งหยุดทำสงครามกลางเงมืองแล้วก็ขเขมร3มฝ่ายก็ยังไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจอกันผู้คนก็มีความหวาดระแวงแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในสันติภาพที่ทุกฝ่ายได้ทำสัญญากันเป็นส่วนที่สัญญาไปทากันทังประเทศอิศอออโนโดนีเซียเลยสมเด็จโฆษณันท์ค่าก็เลย จัดธรมรมยถานะเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ที่ปลายาาที่เขตแดนชายแดนนะรัฐประเทศนะแล้วก็เดินมาจนถึงพนมเปนดนะานทางเส้นทางที่มันเคยเป็นสมารภูมิข อ, ของคันเณสามฝ่ายมีพระร่วมเดินเป็นร้อยนะแล้วก็มีญาติโยมเดินเนี่ยหลายร้อยแล้วก็ เป็นการเดินที่ค่อนข้างจะระทึกขัญ น, นะเพราะว่าเส้นทางที่เดินเนี่ยมไม่ใช่แค่เป็นแค่สมรภูมิมันทุกวันตอนนั้นก็ยังมีการวางกับระเบิดนะอยู่มากมายทุกวันนี้เนี่ยกับระเบิดในเํมเรวมทั้งในลาวนี่ก็ยังมีอยู่มากมายนะที่ยังไม่ระเบิดาการเดินทังยานครั้งนั้นเนี่ยประสบความสาเร็จงดงามมาก ซึ่งทำให้มีการเดินธรรมยาตราที่ในคํานีรอีกหลายครั้งนั่นเป็นการเดินธรรมยราถาเพื่อสาธิภาพตอนหลังก็เลยมีการจัดเดินธรรมยาตราขึ้นในเมืองไทยในเมืม่อปี38แต่เป็นการเป็นส่วนของการเดินธรรมยาตราเพื่อระลึกถึง50ปีที่เกิดที่มีการทิ้ง ร, ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา่าในประเทศญี่ปุ่นเดินจาก ประเทศพลัแลนดะ์มาถึงประเทศญี่ปุ่นนะเป็นจุดปมายปลายทางเดินมาแปดเดือนนะแล้วก็เส้นทางก็คือผ่านประเทศไทยแล้วก็ผ่านตรงบริเวณที่เป็นเมืองการนะเพราะว่าเมืองการนี่ก็เป็นจุดที่มีการมีตายกันเยอะเพราะว่ามีการทําเส้นทางรถไฟ่งเราเส้นทางรถไฟสายมรณะสมัยที่อัน่ปุ่นนะี จาตราท ร, รมาอย่างประเทศไทยปี39เนี่ยจึงเริ่มมีการทาธรรมญาติตราเพื่อสิ่งววดลอ้อมแต่ว่าจาัดที่จังหวัดสงขลาธรรมญา ต, ตราอรอบทะเลสาบสงขลานะซึ่งก็ใช้เวลาเดินเนี่ยสามอาทิตย์บางปีก็เดินเกือบเดือนนะแล้นั้นคือเริ่มต้นเมื่อประมาณกลางประมาณเมษาปี39 น่าเดาที่ธรรมยาตตารอบเทสาสองขาเนี่ยทำได้แค่เจ็ครั้งไม่ถึงใน้ซ้งตัวนัวนหกครั้งเนี่ยก็ก็ยุติปไปนะแต่ว่าก็ได้ทิ้งมรดกเอาไว้นะและมรดกอันหนึ่งของธรรมยาตารอบเทสาสองขาคือธรรมยานตารุปนาำรองพันาวนะซึ่งแม้ว่าจะเป็นธรรมยาตตาที่ ขนาดย่อมขนาดมิดนินะีะก็คือประมาณหนึ่งอาทิตย์นะธรมรมยานตาทคือจริงเขาเดินกันเป็นเดือนนะหลายเดือนนะแต่ของเราเนี่ยเดินกันแบบหอาทิตย์เป็นขนาดมิดนินะแต่ว่าก็ต่อเ น, นื่องยาวนานมากที่สุดนะต้องเรียกมากที่สุดในโลกก็ว่าะะได้นะเพราะมีไม่กี่ประเทศที่จัดธรรมยานตราต่อเนื่องมากที่สโลกเพอสิครั้งแล้วนะสิปีไม่มีขาด ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทราบน่าพาเป็นมายอยู่แล้วนะว่าเกิดจากการที่เรื่องของหลวงพ่อสมเขียร น, นะถ้าไปเดินที่เท释刹ธรรมยตาลหรือเท释刹สงขารในปีหนึ่งต่งมาใชปีสีหนึ่งะหรือว่าสี่ศูสมัยนั้นเนี่ยพระเสขียรรมเนี่ยซึ่งหลวงพ่อสมเขียรเป็นเป็นรองประธานประธายคือหลวงพานานนะซึ่งก็ผูม้มรณภาพไปเมื่อปีที่แล้วที่สองปีที่แล้วนะ หลงวงพ่อเขียนกับพระธรรมยาตาทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ไปร่วมเดินและท่านก็เห็นว่าน่าจะมีแบบนี้บ้างที่ชัยภูมิที่ปูรแรงคาท่านก็เลยมาออกปากลูกศิษย์ให้มาร่วมจัดทำกันน่นเคย น, นก่คือที่มาของธรรมยาตราครั้งแรกปีสี่สาตอนนั้นก็ มีคนมาร่วมเดินก็ไม่มากนะอาจจะเชื่อแค่ห้าสิบคนได้แล้วกเ็เดินจากวัดป่ามหาวันนะแล้วก็มาจบที่วัดภุพระทองตอนนั้นก็ไม่คิดว่าธรรมยาตรา น, นี้จะ ตอนเนี่ยมันจะถึงวันนี้นะเพราะว่าปีที่สองเนี่ยก็ยังมีคนเดินไม่มากนะแต่ลังจากนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าเครื่องเริ่มติดนะคนก็ที่กิจการก็มาร่วมเดินกันนะจนกระทั่งปัจจุบันนะก็อาในระยะหลังเนี่ยจากแต่ละครั้งก็มาร่วมเดินกันสองสรนะแล้วก็เริ่มกันตั้งยางบุญนาฝาคล้างตั้งกต่ต้นทางปกติตอนเริ่มเดินเนี่ยคนจะไม่ค่อยเยอะนะ มาเยอะตอกลางทางแล้วก็พอพอถึงจุดหมายปลายทางก็จะค่อยน้อยแต่าเดินธรมรมยสถานเรื่อยหลังเนี่ยนะ่ อ, ะอเรียกว่าคนมาขับขั้นตั้งแต่วัดแรกแต่ววัสุดท้ายก็ไม่ได้บางตาเท่าไห ร, ร, ร, ร่เลยธรรมยสถานเนี่ยนะที่เรียกว่าธรมรมยต ร, รานก็เห็นว่าเป็นการเดินเพื่อนะธรรมะและธรรมชาติจุแรกเนี่ยเดินเพื่อธรรมชาติก่อนนะ คือจุดมู้ไหมายเนี่ยหรือแรงจูงใจ ก, ก็คือเพื่อธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติบนหลังเขาเนี่ยุมน้ำรับประทานเนี่ยเสื่อมโทมมากหลวงพ่ออมเขนท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนะตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งสองนะจนกระทั่งปีส3หสือ30ปีเนี่ยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาลำห้วยปา่าผืนดินแมแกระทั้งอากาศภูมิอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะท่านก็ เ, เลยริเริ่มที่จะให้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบแทนตอบแทนบุญคุณของธรรมชาตินะ ที่ธรรมชาติได้เอือเฟื้อเอื้อปรุพวกเรามาที่แรกเนี่ยหลวงพ่อขียนท่านก็ทำงานแต่เฉพาะในเขตพื้นที่ของท่านก็คือวัดป่าสุประตวัดป่าวัดภูเขาทองและตารางก็ขยายไปวัดป่ามหาวันแต่ตารางท่านเห็นว่าเราควรทำอะไรมากกว่านั้นงานธรรมยานตราเนี่ยจุดหมายคือเพื่อธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยถ้าว่าเรา เราปล่อยให้เราให้เราเดินเพื่อมีธรรมชาติเป็นแรงจูงใจหรือว่ามีธรรมชาติเป็นแรงผลักดันเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะที่เราจะเดินบนเส้นทางธรรมในที่สุดธรรมชาติกับธรรมนะธรรมะไม่ได้แยกจากกันถ้าเราปล่อยให้หัวใจของเราเนี่ยหรือชีวิตของเราเนี่ยนะขับเคลื่อนด้วยความรักในธรรมชาติด้วยความหงุหงิในธรรมชาติเนี่ย มันก็แน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยชีวิตเราจะก็จะเคลื่อนไปบนเส้นทางธรรมะ เ, เพราะว่าธรรมะกับธรรมชาตนะิเป็นเรื่องเดียวกั น, นคนที่อยู่ได้คนที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเนี่ยก็จะมีธรรมะเนี่ยเจริญงอกงา น, ในใจิตใจมีความเมตตานะมีความอ่อนโยนรวมทั้งสามารถที่จะเห็นแจ้งในสัจธรรม ตอนที่พุเจ้าเนี่ยยังเป็นพระโพธิสัตว์คือยังเป็นกุลชนทีสนสังงาคนทางจัดสรูพระอคเนี่ยก็พยายามมาเป็นเทียนแต่ก็ไม่พบอ่านายการบคนทุกจนท่านได้เสด็จมาที่รือแม่น้ำเยรัญชราและพระค ก, ก็เห็นว่าภูมิภูมิสถานที่นั้นเนี่ยนะนสวยงามท่านได้เล่าให้ ภาษา่าฟังในเวลาต่อมานะซึ่งปรากฏเป็นประทุษว่ในพระไตปรปิฎกว่าเมื่อพระองมาเสด็จมาอย่างสถนานที่นั้นเนี่ยทรงเห็นว่าเป็นภูมิสถานนะที่น่ารื่นรมเนะ้าเรียกว่าเป็นจะ <c oughs> เรียกเป็นรมณียสถานใัรสนร่มรื่นนะน่าชื่นบานแม่น้ำนะแม่น้ำไหลผ่าน สสยเย็นนะเห็นแล้วชื่นใจแล้วพระองค์ก็อธิบายต่อไป ว, ว่ามีตะลิงนะมีภูมิทัศนะที่สวยงามแล้วท่านก็เลยบอกว่าสถานที่นี่แหละนะเหมาะกับการบำเพ็ญทมแล้วก็เลยตกลงปลงใจว่าตรงนี้แหละนะที่เราจะบำเพ็ญทำเพื่อการตัสรู และในคืนนั้นเองนะก่อนที่ตอนที่จะขึ้นวันใหม่นะรมก็ตัดสรุรรมจากบุตุชนก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าถ้าความความความสำเร็จนะของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้เกิดจากความเพียรเท่านั้นนะอันนั้นเป็นปัจจัยภายในแต่ปัจจัยภายนอกคือธรรมชาติที่เป็นโรมนีย มีต้นไม้ร่มรื่นนะน่าชื่นใจนะมีน้ำาสาไหลเย็นนะทั้งหมดนี้เนี่ยนะบรากาศเราเนี่ยที่น้อมใจพวกเนี่ยทำให้การบริเวณเครืพระรงเนี่ยบังเกิดผลจงกระทั่งตัดสรุ้และเราทั้งหลายเนี่ยก็ได้รับ อ, อนีสสมนะจากาจากการ สรุของพระองค์อันนี้เป็นตัวอย่างนะที่เชเห็นว่าธรรมะกับธรรมชาตินี่แยจกจากการได้มาอันถ้าเราน้อมใจให้เป็นเหมือนเดียวธรรมชาติหรือว่าหรือเ ป, เปิดใจให้ธรรมชาติเนี่ยนะขับเคลื่อนชีวิตเราเนี่ยนะเราก็จะเดินอยู่บนเส้นทางธรรมหรือว่าเราก็จะเดินก็จะค้นพบธรรมได้ทีเดียวนะอันนี้แหละคือ ความหมายแล้วก็สารสนคัญของธรรมยานตราคือเดินเพื่อธรรมะและธรรมชาติหลายคนเนี่ยก็ได้มาเดินธรรมยานตราบางเพื่อ จ, จะเดินด้วยความาสนใจเพื่อเห็น ส, สิ่งแปลกใหม่แต่หลายคนก็เดินเพราะความรักในธรรมชาติหลายคนก็มาเดินเพราะอยากจะปฏิบัติธรรม การเดินธรรมยาตราเนี่ยเป็นการเดินนะทั้งเพื่อกอบกู้ฟื้นฟูธรรมชาติอย่างน้อยก็หวังอย่างเช่นนั้นแล้วก็พยายามฟื้นฟูธรรมะให้เกิดขึ้นในใจด้วยสิ่งหนึ่งที่เราก็พยายามที่จะยัดอยู่เสมอคือว่าให้เดินด้วยความสงบเดินอย่างมีสติแล้วก็เดินนะ รักษาใจไม่ใช่เพียงแต่ว่าเดินเพื่อไปให้ถึงจุดหมายจุดหมายนี่เนี่ยมันเดินถึงได้ด้วยกายด้วยเทา้าแต่ว่าต้องเดินให้ถึงธรรมด้วยอย่ า, าเดินให้แค่ถึงจุดหมายนะแต่ว่าใจต้องถึงธรรมด้วยสึ่งหนึ่งที่ช่วยทาให้เราเดินและใจถึงธรรมก็คือว่าใจารู้กับปัจจุบัน คำขวัญของเดินธรรมะตาคือว่าจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่ปัจจุบันรนะักษ า, าใจให้ดีแมแดดจะร้อ น, นอากาศจะหนาวนทางนีจะลบากถ้ารักษาใจดีนะแม้ร้อนกายนะแต่ว่าใจสงบเย็นแม้กายเหนื่อยนะแต่ว่าใจชื่นบาน ไว้เพราะว่าซ้ำๆทำได้ไหมนะแต่เมื่อมาลองเดินนะก็จะพบว่ามันเป็นไปได้และหลายคน ก, ก็ทำไดนะ้อันที่เราเห็นในในวันนี้เนี่ยก็เป็นก็เป็นส่วนเสี่ยวนะของธรรมญาตราซึ่งก็คงจะเป็นการบันทึกภาพในในช่วง ส 5, 6, ห้าหกเจ็ดแปทั้งหลังเั่านั้นหลนะน้าเสียดายนะที่ครั้งแรกเราไม่ได้ถ่ายรูปนะแต่ไม่ค่อยได้เก็บรูปเอาไว้แต่ถ้าว่าเราได้มีการเก็บรูปนะนะตั้งแต่ตอ น, นแกรกๆนะถ้าศิลปินทั้งหลายเราเนี่ยเริ่มมาสนใจตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยนะก็เราคงจะได้เห็นภาพที่มน ง, งานและเห็นความแตกตา่าง แต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าหลายภาพนะอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกๆที่เราเดินเนี่ยนะมันก็ได้ถูกประทับไว้แล้วในความทรงจำในติดใจของผู้ที่เดินหลายคนก็เสียชีวิตไปแล้วนะได้ไปอยู่ในวสวนสวรรค์แล้วนะหลายคนก็ยังคงเดินต่อไปหลายคนที่มาเดินนะ ตอนนั้นก็ยังเป็นเด็เดกๆอยู่นะหกขวบตอนนั้นเท่สิบหละผมใช่ไหมยท่าิบหล่อนนั้นนะตั้งแรกแปดเจ็ดอฮะอเด็ น, นี่ก็เป็นสาวแล้วนะบานคนก็เป็นหนุ่มแล้วเนี่ยและต่อไปก็จ ะ, ะกลายเป็นผู้ใหญ่นะที่จะมาสือทอดธรรมยาตรานะส่วนต่อมาก็ในส่วนก็ต้องเดินตามหลวงพ่อไปนะือว่า ก็คือว่าต้องก็คือฝากให้พวกเราได้ร่วมทํางานเดินต่อธรรมยาตราเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องราวของหลายชีวิตนะมันเป็นเรื่องราวของหลายชีวิตผู้คนมากมายทั่วทุกสารทิศเนี่ยเส้นทางเชีวของเขาเนี่ยเส้นทางเชืีอ์ผู้คนมากมายเนี่ย ที่หลากหลายทั้งอายุเพศผิวพัธุ์ความเชื่อเนี่ยเส้นทางเชื่อที่หลากหลายเท่าเหานั้นได้มาบรรจบ ก, กันในช่วงหนึ่งก็คือที่ธรรมยัญตราความที่จะแยกแยก้าย ก, กันไปตามเส้นทางชื่อของตัวตอนที่เส้นทางเชื่ออันหลากหลายผู้คนได้ไดมาบรรจบคบกันในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยหกเจ็ดวันเนี่ยนะ มันมีเรื่องที่น่าประทับใจมากมายซึ่งคงจะไม่สามารถจะเล่าในที่นี้ได้แต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คงสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณนะ์บางส่วนเสี่ยวนะของอเส้นทางชีวิตของผู้คนนะที่ได้ม า, าบรรจบกันในช่วงเวลาเจวันของธรรมยางตราซึ่งน่าสนใจนะอาตมามีคิดว่าถ้าหากว่า ไ, ได้มีการ มีใครที่ขยายเขียนแลนะบรรทึกเรื่องราวชีวิตประสบการณ์ของคนแต่ละคนที่มาเดินที่หลากหลายเป็นตอนสั้นๆนะเป็นฉากเล็กๆแล้วมารวมกันเป็นเล่มเนี่ยก็คงจะเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากและในเวลาเดียวกันนะธรรมยาตรานี่มันก็กลายเป็นส่วนของชีวิตของผู้คนที่มากมาย อาตมาเชื่อว่าธรรมยัญตรานะธรรมาทาเนี่ยประสบการณ์ช่วงเจ็ดวันเนี่ยแม้มันจะเป็นประสบการณ์สั้นๆนะของชีวคนคนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าคงยังมีหลายคนทีเดียวนะเส้นทางชีวงเขาเนี่ยได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากธรรมยัญตราและทําให้เขาเนี่ยนะสามารถที่จะเดินมั่นคงบนบนเส้นทางธรรมได้แมว่าเส้นทางเขาเี่จะแยกนะ จากกันนะไปกันคนละทิศคนละทางแต่ก็ยังคงเป็นเส้นทางธรรมหรือว่าเป็นเส้นทางที่แน่วแน่มั่นคงในทางธรรมมากขึ้นอาตมาเชื่ออย่างนั้นแล้วนี่ว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะประสบพบได้ด้วยตัวเองเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยนั่เป็นเรื่องที่น่า ย, ยินดีและที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ ซึ่งที่จริงมันมีมากมายมากแบบนี้เนี่ยนำมาเลือเป็นเป็นร้อยเท่านะแต่ว่านี่เราก็เลือกมานะเฉพาะอาที่น่าสนใจซึ่งมาเชื่อว่าเท่าไรคนได้มาเห็นแล้วแม่จะไม่เคยเรียนนาเนตรานักต้อคงนะักเกิดไฟนะที่อยากจะไปร่่มเดิมแต่ก็อยากเดินนะว่าที่เห็นเนี่ยดูสวยงามนะงเนี่ยจริงเนี่ยของจริงมันไม่ใช่อย่งนั้นเลยนะ เราจะมีเดือดพัดเตอร์ไม่ค่อยสวยงามนะครับแต่ว่าไอ้ความลำบากนะความาความร้อนนะความหิวความเหนื่อยนี่นะมันซุกซ่อนมันซุกซ่อนความสุขที่ลุ่มลึกเอาไว้ทีแรกเราเห็นภาพนีเห็นสวยงามนะพอไปเดินจริงหัวมันลำบากมันร้อนมันมัน มันน่าเบื่อนะมันแห้งผากนะนั่นคือเปลือกนอกมันคือเปลือกนอกธรรมยาตราเมื่อเราเข้าถึงแกนแกนกลางของมันยังไมพบความสุดรูเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุดพบใครที่ไม่ใครที่สงสัยว่า ภาพสิ่นี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงเนี่ยลองไปเดินธรรมย่าปราดูนะครับโดยายในภาพสวยงาม น, นี้เป็นสิ่งที่ อ, อ, อ่าอ่าลอลอนะให้เราเข้าไปเดินและเราเจอความยากลำบากแต่พอเดินไปเดินไปเราจะเข้าถึงนะอีกชั้นหนึ่งอันนี้เรีาชั้นอา่าชั้นนอกที่ดูสวยงามแต่พอไปเดินแล้วเนี่ยโอ้ร้อนลําบากแต่ถ้คุณเข้าไปถึงชั้นหนึ่งนี่นะ มันจะเป็นความสงบมันเป็นความเย็นมีความสุขอันนี้แสดงว่าที่เรา เ, เริ่มจะเข้าสู่เส้นทางธรรมญาติราที่แท้แล้วคือเส้นทางธรรมอย่างไรก็ตามก็อยากจะย้ําว่าธรรมญาตราเนี่ยนะเราเดินเพ่อธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเป็นทั้งสิ่งที่ผลักดันให้เกิดธรรมยาตราแล้วก็เป็นพระเอกของธรรมยาตรา ภาพเหล่านี้เนี่ยนะธรรมชาติเนี่ยเป็นรากฐานนะธรรมชาติเป็นฉากมีน้อยภาพที่ธรรมชาติเนี่ยเป็นเป็นเป็นหลักและคนเราเนี่ยเป็นรองไม่แค่ส่วนประกอบเวลาเดินยิงธรรมยาตราเนี่ยธรรมชาติเนี่ยนะมันเป็นใหญ่นะเราคนเดินเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบนะเช่นภูเขาที่มันที่ใหญ่ นะโอบล้อมเราอยู่นะปลานะ้ืนใหญ่นะที่เราเป็นเพียงแค่ผู้สัญจรเดินผ่านทางเข้าไป mm hmm. เวลาไปเดินเราเเจะรู้สึกว่าเราเป็นแค่ส่วนประกอบ mm hmm. นะแต่ว่าภาพเหล่านี้เนี่ยน ะ, ะธรรมชาติเป็นแบ็คกราวน์นะเป็นเป็นส่วนประกอบของผู้เดิน mm hmm. อยากจะต่อไปเนก่ยให้มีนะภาพที่ธรรมชาติเนี่ยนะเป็นพระเอกเป็นหลักและมนุษย์เราเนี่ยนะเป็นส่วนประกอบเป็นรองอันนี้ก็ต้องขอมอกมาให้ศิลปินได้ไปทำต่อนะเราจะมีต่อไปเราจะมีธรรมชาติเนี่ยนะเป็นพระเอกเลยนะไม่ เ, เป็นธรรมชาติที่สวยงามหรือธรรมชาติที่กําลังเสือ่อมโทรม พระจนเนี่ยนี่เป็นแค่นี่เป็นแค่อินโทรนะครั้ที่สองเนี่ยจะหรือขัที่สามจะตามมาแต่คร น, นี้อาจจะไม่ได้จากที่ออสเตรเลียต้น ต, นต า, างเดียวนะแต่จะไปไกลถึงนิวยอร์กอ่าแล้วก็ก็ <c oughs> ขอนุกโมทนาะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณที่ทางสิงห์ <c oughs> ต้น ต, ตาลเนี่ยได้อ น, นุได้กรุณาให้ พื้นที่น ะ, ะแกคณะธรรมยาตราแล้วก็กเรียนนวมิททั้งหลายเนี่ยได้มาร่วมได้มาแสดงผลงานเพื่อมาเชิญชวนให้ผุกคนเนี่ยไดอ้อยากจะไปลองลิ้นะชิมรถธรรมยาตราหรือขณะเดียว ก, กันก็ได้เห็นว่ามันได้มีความภูมยานของคนและคนน้อยนะจำนวนหนึ่งนะซึ่งเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ย แต่ได้แค่ขยายออกไปทั่วประเทศเพราะว่าทําตอนนี้ธรรมชาติเนี่ยมันวิตติดทั่วโลกนะล้านเก้ายังไม่พอนะที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ธรรมชาติธรรมญาติตามที่เราเดินมาถ้าจะรวมเ้าแต่ละเ้าเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ประมาณสิบสาสี่ล้านเก้าแล้วนะพอครั้งหนึ่งก็ประมาณสนะองแสนเก้าเราเดินมา17ครั้งเนี่ยก็รวมแล้วก็อาจจะสามสี่ล้านเก้าแต่มันยังไม่พอนะ มาต้องมากกว่า น, นั้น mm hmm. เพื่อที่ขับเคลื่อนธรรมชาติขับเพื่อนเพื่อทีขับเคลื่อนโลกให้เป็นไปทางที่ปกป้องธรรมชาติมากขึ้นและขับเคลื่อนใจของเรา เ, เพื่อจะได้ทุ่มเทปที่ตนนะเพื่อการรักษาพื้นที่ธรรมชาติไม่วาจป็นภูเขาสายน้ำํำป่าพันธุ์พืชและสิ่งสาระสัตว์ทั้งหลาย mm hmm. ก็หวังว่ า, าผู้ที่มา ได้ชมเทศการนี้ก็จะเกิแดแรงบันดาลใจไม่ได้ไปจะต้องมาเดินธรรมยาตาในปีต่อไปแต่ว่าเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทําะไรเพื่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูโรคให้หน้าอยู่มากขึ้นก็ขอขอบคุณแล้วก็ที่ถาไมไปแล้วคือศิลปินนะครที่ได้มาอ่าร่วมทําแล้วก็ผู้เบื้องหลังนะซึ่งก็มีเด็กๆมาร่วมจับด้วยนะก็ขอขอบคุณแล้วก็หวังว่าเราจะได้อ่า มาร่วมทำงานอย่างนี้อีกนะ้วกาศปลอดภัย